มันยากตอนที่จะให้จิตตื่นขึ้นมาห้จิตตื่นขึ้นมาแล้วบางคนเจริญปัญญาบางคนไม่ยอมเจริญปัญญารู้สึกตัวอยู่เฉยๆฉะนั้นจุดที่ลำบากของการปฏิบัติอยู่แต่จุดเริ่มเริ่มรู้สึกตัวให้เป็นขึ้นมาก่อนแยกธาตุแยกขันได้พอเห็นธาตุขันแสดงใจรักเป็นนะ จุดที่หลอกเราหลื อ, อจุดเดียวเองคือวิปัสสนูปกิเลสพอเราทําวิปัสสนาแนละ้วที่เกิดวิปัสสนูทุกคนอนะ่ะถ้าพวกดูจิตนียวิปัสสนูที่เกิดบ่อยก็คือว่างสว่างเรียกว่าอุปาฏิยันดูจิตดูจิตแล้วบอกรักษาจิตว่างอยูนะ่ติดวิปัสสนูนะเดี๋ยว่างคน ไม่ถึงวิภาสนูด้วยซ้นนําไปเมื่อคนประคองจิตไม่คิดไม่นึกนะรักษาจับเอาความว่างไว้อ น, นั้นไม่ถึงขั้นวิภัสนูก็ไม่เกิดไม่ได้ทําให้พัษนาตัวที่จับจิตให้นิ่งให้ว่างนะเป็นสมถะเชื่ออากาศานัน้นยัตนะจับความว่างอะยังไม่ขึ้นมีภาษนาเลย เนี่ยถ้าขึ้นไปปัสนาแเราเห็นรูปนามเกิดดับได้แต่กําลังสมาธิไม่พอจิตตั้งมั่นไม่พอจะเกิดไม่ปัสสาวูเรื่องจิตตั้งมั่นเป็นเรื่องสําคัญมากเลยถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนะอันแรกเลยจิตจะไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูหรอก <S <S มันจะไหลออกไปเวลารู้รูปไปมนไหลไปอยู่กับรูปรู้นามก็ไหลไปอยู่กับนามดัง น, นั้นตรงที่จิตตั้งมั่นเป็นเรื่องแตกหักเลยลนะ ย่าพภานาจะทำได้ไม่ได้อยู่ที่จิตเองถ้าจิตตั้งมั่นถูกต้องแนละ้วถึงฐานจริงๆจิตจะถอนตัวจากการเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลอาศัยจิตตั้งมัน่นขันมันจะแยกได้ถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นจิตจะไหลไปไหลเข้าไปรวมกับขันนะนะั่นแหละขันไม่แยก เ, เห็นขันแสดงใจรักไม่ได้ มันจิตไปรวมกับันมันกลายเป็นตัวเราขึ้นมาเการเรื่องฝึกจิตฝึกใจเรื่องเรื่องใหญ่ยากมากเลยกว่าคนคนหนึ่งนะจะจิตจะก้าวมาสู่จุดที่ถูกต้องแต่ถ้าจิตตั้งมั่นจริงๆนะเนี่ยนะจะผ่านอุปสรรคได้หมดอันแรกเลยจิตตั้งมั่นว่าเป็นคนดูเห็นรูปนามแยกออกไปแยกขันได้ อันที่สองพอจิตตั้งมั่นอยู่นะก็เห็นรูปนามสแสดงใจลักโดยจิตไม่ถลาไปดูรูปนามจิตสักแต่ว่าเห็นรูปนามอยู่แยกออกไปห่างๆพอรูปนามดับไปนะจิตก อ, อย่างตั้งมั่นแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นพอนนกำลังสมาธิเราไม่พอสมาธิไม่ถูกนี่พอกิเลสเกิดขึ้นมาจิตเราไหลไปที่กิเลสเคลื่อนออกไปเราไม่เห็น จิตมันเคลื่อนออกไปนะพอกิเลสดับนะี่ยจิตมันอยู่ข้างนอกฐานแนละ้วมันจะว่างสว่างนะั้นจะสบายอยู่งั้นเลยอยู่ได้เป็นปีเลยนะอยู่ได้นานก็เรียกว่าหมดกิเลสแล้วตัวนี้แหละตัววิปัสสนูที่เรียกว่าโอภาษจิตมันไหลออกไปข้างนอกวิปัสสนูมีสิบตัวทั้ง10ตัวมีสาเหตุอันเดียวกันคือจิตมันไหลไปจิตไม่ถึงฐานนะงั้นฝึกให้จิตถึงฐานได้เนะี่ย ตัวแตกหักแล้วว่าชาตินี้จะได้มักผลหรือไม่ต้องจิตถึงฐานแล้วนะแล้วก็พ้นวิปัสสนโูแล้วต้องระวังอีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งก็คือเราไปจำจิตที่ตั้งมั่นได้เราจงใจทำจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่เราจงใจทำให้ตั้งมั่นจะแข็งแข็งทื่อๆแข็งแข็งนะอันนี้ของปลอมจิตตั้งมั่นที่แท้จริงนะจะมีความเบาเรียกระหูตา ความนุ่มนวลอ่อนโยนเรียกว่ามุทุตามีความคล่องแคล่วว่องไวนะเนะปืปลาคุณตาควรแก่การงานนืกรบรรณาตานะแล้วก็ซื่อตรงในการรู้อารมณ์เรียกอุชุกตาไม่ประกอบด้วยราคะไม่ประกอบด้วยโทสะด้วยโมหะงั้ตัวจิตผู้รู้นะไม่ติดไม่ติดในความสุขไม่ติดความบ้างไม่ติดอะไรเป็นคนดู แล้วก็ซื่อตรงนะซื่อตรงในการรู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นรู้ซื่อๆไม่หลงไม่มีโมหะไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไอตัวจิตผู้รู้ชนิดนี้แหละที่มันมีความเบานุ่มนวลอ่นอนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่มีราคะโทสะโมหะจิตชนิดนี้นะในอภิธรรมมมีชื่อชื่อยาวมากเลยนะ ชื่อมหากรุสลจิตยานสัมปยุตอาสังขาริกังชื่อยาวอาสังคาริกังกนะ็คือเกิดเองไม่ได้ชักชวนให้เกิดงั้นถ้าตัวรู้ของเราเราชักชวนให้เกิดี่จงใจทำขึ้นมานะเป็นตัวรูปปลอมนะใช้ไม่ได้ดูเหมือนมีปัญญาเห็นเกิดดับเหมือนกันแต่เห็นเกิดดับเห็นตัวอื่นเกิดดับตัวเองไม่เกิดดับตัวรู้เที่ยงนะ เงือนอย่างบางคนภาว น, นาแล้วบอเห็นเกิดดับ mm. เกิดดับ mm. บอกสังเกตไหม mm. เหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งเนี่ย mm. ถ้าเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่ง mm. แสดงว่าเป็นสะสังขาริกังไม่ใช่อสังขาริกังจงใจทําขึ้นมาเนะี่ยในตํารามีนะแต่ว่าพวกที่เรียนตํารามันแยกสภาวะไม่เป็นภนะาว น, นาไม่ได้หรอกนะส่วนพวกที่ไม่เรียนตาํารามภาวนาดุยดุยไปนะร้อยคนพันคนนั้นไปถูกช่องเข้าคนหนึ่ง คือเรารู้หลักให้ดีนะมาภาวนาพวกเรารู้สึกไม้มว่าเราเปลี่ยนเรารู้เราตื่นเราเปิกปานนะธาตุขันเริ่มแยกออกไปนะ้วถ้าแยากธาตุแยกขันได้นะเห็นธาตุขันสแสดงใจรักได้จิตตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้รักษาไว้นะนับถอยหลังไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีควรจะได้อะไรบ้างแต่ไม่ใช่จิตตั้งมั่นแล้วอีกเจ็ดปีค่อยดูอีกครั้งหนึ่งนะไม่ได้กินหรอก เวลาที่เหลือเอาไปหลงหมดนะ้วสู้เอาหลวงพ่อนะีสอนหลักให้พวกเรานะให้เรารู้หลักให้แม่นๆม่นจิตเราได้ถูกจิตถูกแล้วมันเผานังง่ายเรียนจากครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะท่านสอนกว้างกว้างเราคลําแทบตายเลยกว่าจะเข้าช่องมันคล้ายๆลองผิดลองถูกนะส่วนใหญ่ผิดนะคนที่ถูก จริงๆมีไม่มากเลยครูบาอาจารย์นั้นเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นนะ่ะมีความสามารถมากเก่งมากบอกในงานเผาศพหลวงปู่มั่นนะ่ะมีพระที่หลุดพ้นไปแล้วนะมาเผาศพลูกศิษย์ท่าน37องค์37องค์แล้วที่ไม่กลับมาเกิดในโลกนี้มีเป็นร้อย ได้ธรรมะขั้นต้นๆ น, น, นับไม่ท้วนในครูบาอาจารย์นั้นท่านเก่งแล้วคนยุคนั้นอดทนมากเลยแต่กว่าจะหาตัวท่านเจอนะต้องเดินหากันแทบตายเพราะงั้นคนที่ไปเจอท่านนผ่านการทดสอบนะว่าอดทนจริงๆยุคเราไม่มีบททดสอบเปิดเน็ตเปิดมือถือก็ได้ฟังเทศละเราก็สบายใจว่าฟังเมื่อไหร่ก็ได้ มีนะบางคนมักง่ายคิดแต่ว่ามาฟังหลวงพ่อเทศไม่ต้องภาวนาภาวนาแล้วเหนื่อยเปล่าเปล่าฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้ยินวักทองมีวักทองได้ยินวักทองแลย้ยจะปิ้งเลยมันลุจะปิ้งก็ไปได้ไงไม่ได้เห็นรูปนาไม่ได้เห็นใจรักกว่าจะถึงจุดที่ง่ายนะก็ล้มหายตายจากไปซะ มากกว่าครึ่งนะฟังหลวงพ่อเทสเนี่แหละฟังฟังโหยากไปฟังไม่รู้เรื่องไม่ฟังดีกว่านะเราทำบุญใส่บาตรไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเราก็บรรลุทำเนี่ยโง่อย่างนั้นทำถึงไม่บรรลุใส่บาตรมันจะบรรลุทำได้เงินคนละเรื่องเงนใส่บาตรทําทานยังไม่ได้ภาวนาเนะนี่ยพวกที่อดทนแล้วก็ฟังฟังฟังไป เมื่ออาทิตประเทศที่อำมาวายังบอกเขาว่าคนที่มาเรียนทีหลังได้เปรียบพวกที่เรียนกับหลวงพ่อแรกๆนะเรียนนานเขาถามว่าทำไมอกโอหลายเหตุผลนะหลายเงื่อนไขอันแรกเลยเวลาแสดงธรรมนะหลวงพ่อต้องปดิปรตน ม, มากพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็ทบสำนักนี้พูดอย่างนี้กระทบสำนักนี้นะท้พูดแบบ หลบหลบห ล, ลบไปเลยไม่อยากชนกับใครธรรมะมันไม่ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งก็คือหลวงพ่อบวชใหม่ๆนี่พวกที่มาเรียนเนี่ยรู้จักหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมรู้จักคนมันเคยกระทบไหลกันกระทบไหลกันมันจะแน่สักแค่ไหนวะเนีย่ยรู้สึกอย่งนั้นพวกหนึ่งพวกจีเนสมาก บอกว่าไม่เชื่อหลวงพ่อหรอกไม่เชื่อหรอกเขาจะหาทางด้วยตัวเองเนี่ย เ, เขารู้นะทางไปสนามหลวงเนี่ยไปได้หลายทิศทางนีเขาจะไปด้วยตัวของเขาเองบอกจะไปเองก็ไม่เป็นไรแต่ต้องเรียนก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่เรียนเนี่ยเขาภาวนางเขาไปเรื่อยเืเดี๋ยวเขาก็ถึงบางอ้ออะไอย่างงี้บอกไม่ถึงหรอกบางอ้อมันจะถึงบางพลัด <laughs> สุดทายกำังพลัดจริงๆนะเนี่ยพวกที่เจอรุ่นเก่าๆม่นเป็นอย่างงี้นะที่จะอดทนแบบของมันเคยกระทบไหลกันนะไม่เชื่อหรอกพวกหลังๆมาเจอหลวงพ่อเป็นพระแล้วพูดอะไรก็ฟังเนั้นเรียนง่ายกว่ากันเยอะเลยนะใจมันจะเปิดมากกว่ากันพวกรุ่นเก่าก็ทนเอาหน่อยคอยสังเกตรู้เท่าทานใจของเราคนใหม่ๆนะบางคนเดือนเดียวฟังซีดีนะ เดินเียวนี่ยจิตตั้งมั่นแล้วจิตถึงฐานแล้วขันแยกหมดแล้วเห็นขันแสดงใจรักแะ้วตอนนี้ชัดจะมีเยอะแล้วประเภทเดินเดียวเนี่ยฟังซีดีหนึ่งเดือนออกฟังทีแรกไม่รู้เรื่องเลยว่าท่านพูดอะไรก็ไม่รู้แต่อดทนฟังเพราะว่าไปฟังให้ถามตอบนะเขาถามอะไรเขาตอบอะไรตูลึกซึ้งอย่างเลยงั้นในซีดีจะมีส่วนที่ถามตอบไว้ด้วยบางคนได้ประโยชน์ตัว น, นั้น ฟังหลวงพ่อเทศเฉยเฉยบางทีงงงถามตอบนี่ยความจริงงงกว่าเก่าอีกเพราะไม่รู้หรอกว่าเขาถามอะไรตอบเรื่องอะไรกันนะแต่มันรู้สึกน่าสนใจศาสนาพุทธคง ม, มีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ลึกซึ้งทำไมเขาถามอะไรได้แปลกแปลกกอยากรู้อยากเห็นนะมหัดไปเรื่อยฟังซีดีไปฟังไปถึงวันหนึ่งมันปิ้งขึ้นมาอดทนฟังไปฟังไ ป, งไปเดี๋ยวจิตจะตื่น การฟังซีดีไปนะจิตจะตื่นขึ้นมาาจิตตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดได้ดูท่าดูขันมันทํางานไปร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตใจมันเคลื่อนไหวดูไปดูไปแล้วแ ร, แรกๆเป็นทุกคนเ่ะยังไม่ชํานาญในเรื่องจิตตั้งมั่นจิตก็จะเคลื่อนอีกเขาไปดูยังไปดูลมหายใจะธรรมานาปนสติไปดูร่างกายหายใจ ดูไปดูมานะจิตเคลื่อนไปจับอยู่ที่ลมหายใจหรือไปดูท้องพองยุบนะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องเคลื่อนหมนไปเดินโจรกลมนยกเท้ายั่งเท้าห น, น่จิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้านี่นจิตมันเคลื่อนออกหมดเลยตกจากวิปัสสน า, ศ า, ศาเรียบร้อยแล้วตรงที่จิตเคลื่อนหรือดูจิตดูใจเห็นกิเลสกิเลสเกิดกิเลสดับจิตเคลื่อนไปจ้องอยู่ตรงที่กิเลสจ้องลงไปสังเกตไหมกิเลสมันผุดขึ้นมากลางหน้าอก มันผุดขึ้นมาจากความว่างๆดูออกไหมถ้าเราถลำลงไปดูตรงที่กิเลสมันเกิ ด, นะ ด, กเดดับนะจิตถลำลงไปพอกิเลสดับน้ำจะติดอยู่ในว่างเนี่มเสร็จตรงนี้เองจิตไม่ติดว่างอันนี้ติดว่างข้างในบางคนนะ่ยดูกิเลสเนะี่ยกิเลสไหลออกข้างนอกนี่ยังไปด้านนอกไปข้างหน้าส่วนใหญ่นี้ไปอยู่ข้างหน้าเมื่อกิเลส ด, ดับเลยจิตไปอยู่ข้างนอกนอกบ้านเลยนอกกายเลยนะ ดังนจิตถลำลงไปก็มีนะไปว่างอยู่ข้างในก็มีไปว่างอยู่ข้างนอกก็มีใช้ไม่ได้ทั้งคู่เลยหลวงปู่ดูเลเรียกจิตออกนอกทั้งคู่เลยดงนั้นก่อนจะไปเดินวิปัสสนาะฝึกจิตฝึกใจให้ดีให้ชํชนานิชานาญซ้อมทุกวันไหวพระสวดมนต์แล้วทํำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนต้องฝึกทุกวันนะไม่งั้นถึงจุดหนึ่งนะกําลังไม่พอ ขนาดหลวงพ่อฝึกชำนาญมากนะเรื่องสมาธิจิตตั้งมั่นตั้งแต่เป็นคราวาสครูบาอาจารย์เรียกว่าผู้รู้ผู้รู้เลยจิตมันตั้งมั่น mm. เราก็ย่ำใจเลยนะเราดูถูกสมาธิดูถูกสมถะเลยทำสมาธิทั้ง22ปีไม่เห็นได้อะไรเลย mm. มาเจริญปัญญาเห็นเกิดดับนะแป๊บเดียวพวกพระลูกสิทธิ์ครูบาอาจารย์ด้วยกันเลยเรียงชมเลยว่าโอ้ภาวนาเร็วกว่าพระอีก เราก็เลยดูถูกสมาธิสมรถ h a ทำไปเสียเวลาอันนี้ดูเกิดดับตลอดเลยเห็นจิตเกิดดับตลอดกำลังสมาธิยี่สิบปีใช้มันดูจิตเกิดดับได้สองปีใช้ได้แค่สองปนะีเสื่อมเสื่อมแล้วเป็นไงเสื่อมแล้วจิตเท่าไไปว่างอยู่ข้างหน้าว่างเลยนะสบายมีแต่ความสุขเลย ไม่รู้เลยว่าจิตไม่ถึงฐานเพราะว่าไม่ได้เอาจิตเข้าฐานมานานแล้วเอาประมาท ถ, ถือว่าแน่นะสมาธิเยอะจิตต้องตั้งมั่นอยู่แล้วล่ะเอาประมาทไม่ทำสมาธิเลยสองปีจิตเคลื่อนออกไม่เห็นไปเจอหลวงตามหาบัวไปถามท่านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตนะเนี่ย พูดกระโลวตาเลยพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตไหมไม่ได้บอกให้ดูกายเลยนะท่านก็ไม่ได้ว่าเลยอพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ทําไมช่วงหลังเนี่ยไม่พัฒนาเลยอยู่กับที่ว่างๆสบายอยู่เฉยๆท่านมองหน้าแวบท่านก็บอกว่าที่ว่าดูจิตดูจิตดูไม่ถึงจิตแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ถึงจิตถึงใจนะไปอยู่ข้างนอกไปว่างอยู่ข้างนอกไม่ได้เข้ามาดูจิตจริงนําอยู่ข้างนอกแนละ้ว ที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วนะต้องเชื่อเรานะเราผ่านมันด้วยตัวเราเองในตัวนี้สําคัญมากเลยอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านว่าอย่างนี้เพราะอะไรเพราะหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านทําสมถตาด้วยการบริกรรมพุทโธเนี่ยครูบาอาจารย์นะท่านเคยทํำยังไงท่านว่าอย่างเนี้ยดีเหมือนอย่างหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนไปพุทโธไม่สําเร็จเลยว่าพุทโธไม่ดีนะขยับมือดีเนี่ย เวลาสอนใครก็สอนแต่ขยับมือหลวงปู่ดูลไม่อย่างนั้นเลยนะหลวงปู่ดูลดูเลยคนนี้ควรจะสอนอยังไงสอนอย่างนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแต่ครูบาอาจารย์แทบทั้งหมดเลยนะที่เหลือเนี่ยท่านทำมาอย่างไงท่านจะสอนอย่างนั้นเพราะว่าญาณทัศนะอย่างหลวงปู่ดูลเนี่ยเป็นญาณทัศนะพิเศษหายากมากครูบาอาจารย์ที่สะสมบารมีมาในสไตล์นี้นะพระสารีบุตรยังไม่รู้เลยนะ พระสัตยบุตรไม่ใช่ว่าหลวงปู ด, ดุลเก่งกว่าพระสารยบุตรนะสารยบุตรมีปัญญาแตกฉานในอริยสัจไม่มีใครเหมือนแต่พระสรัตยบุตรก็ไม่ได้เก่งทางอิทธิฤทธิ์เท่าพระโมคคัลลานึกออกไหมไม่ได้มีตาทิพกเก่งเหมือนพระอนุรุตใช่ไหมไม่ได้ถือทุดงเก่งเหมือนพระมหากัสปะไม่ได้เป็นพระหูสูตรรอบรู้เหมือนพระนนท์ท่านเก่งเป็นด้านด้านงั้นหลวงปุ ด, ดุลก็ไม่ใช่ว่าเก่งกว่าพระสรัตยบุตร ในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้พระสารีบุตรเป็นเบอร์นหนึ่งยังไงก็เบอร์นหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะเบอร์สองพระมหากระสปะเบอร์สามยังไงก็อย่างนั้นแหละนี่หลวงปู่ดุลนท่านมียานพิเศษคือท่านรู้ว่าใครเคยปฏิบัติอย่างไรแล้วจะต่อยอดอยังไงนะให้ก้าวหน้าได้เวลาเราไปเรียนกับท่านนะไปขอกรรมฐานท่านไม่สอนออกนะท่าหลับตางเงียบไปเลย นานมากเลยทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันครอาหลวงพ่อไม่เต็มชั่วโมงเลครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงดีลืมตาให้หมาท่านก็สอนเลยว่าให้ดูจิตอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเนี่ยท่านสอนคร่าวๆอันนี้นะเสร็จแล้วไปคุยกับพวกพระอุปถาให้ดูจิตดูจิตพระอุปถาท่านก็บอกพุทโธพุทโธสิพุทโธ พอพุทโธหายไปเราเจอจิตก็ถูกของท่านเหมือนกันนะเพราะว่าหลวงปู่สอนท่านอย่างนั้นก็ถูกของท่านเหมือนกันแต่หลวงปู่ให้ดูจิตหลวงพ่อมาแยกขันใช้วิธีแยกขันแล้วเจอจิตเอาส่วนไอ้พุทโธพุทโธนั้นเราทำมาเด็กๆแล้วพอขันเป็นแยกนะเอ้ยอันนี้อันเดียวกันกับตอนที่ทําสมาธิตอนเด็กๆอันเดียวกันเลยตัวรู้อันเดียวกัน แต่ตอนเด็กๆทําสมาธิได้ได้ตัวรู้แล้วไม่รู้จะไปต่อยังไงก็รักษาตัวรู้ไว้เฉยๆนี่หลวงพู่ดุลให้ดูจิตนะก็ยิ่งมาแยกขันใบกายส่วนกายจิตส่วนจิตนะความสุกทุกข์แยกออกไปดีชั่วแยกไปเจอจิตเจอจิตได้นี่ตัวเก่าไม่รู้จะทําอะไรเลยรักษาตัวนี้ไปอีกพี่เจอหลวงพู่ดุลครั้งที่สองท่านบอกผิดนะเน่าไปรักษาจิตแล้วไปแทรกแซงอาการของจิตนะไม่ได้ดูจิตดูจิตก็ปล่อยให้จิตทํางานแล้วดูอย่างที่มันเป็นไป แต่เราดูด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นคนดูนะตัวนี้สําคัญพอกําลังไม่พรใจมันเคลื่อนออกนี่หลวงตามาหาบวัวท่านให้พุโทโธหลวงพ่อลองพุโทโธใจไม่เอาพุโทโธแล้วหน้าอกจะแตกเลยรู้สึกอึนัดเอ๊ะทําไมครูบาอาจารย์ให้พุโทโธนะสังเกตแต่สังเกตแต่ว่จิตไม่เข้าบ้านท่า น, นให้พุโทโธให้จิตรวมเข้ามาหลวงพ่อมาหายใจแต่เด็กฝึกอนาปนาาสตนะิหายใจ หายใจไม่กี่ทีนะจีกร็รวมหรอกม่อมีเคลียดของการหายใจอย่าไปดูตัวลมนะเวลาเราจะธรรมานราพนัสสติเห็นร่างกายหายใจอย่าไปจ้องใส่ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจนะหายใจไม่กิ่ทีจิกรวมแล้วลนะ่ะจิตสบายจิตสงบไปแป๊บเดียวฟังเสียงรครั้งตั้งใจฟังแล้วมันเครียดฟังเล่นๆฟังเพลอะเ ตาเห็นรูปใจเราเป็นไงรู้หูได้ยินเสียงใจเราเป็นไงรู้อย่างหูเราได้ยินเสียงใจเราสบายใจเรารู้ะแต่ถ้าเราคอยดูไว้ก่อนแล้วระวังตัวแล้วเดี๋ยวจะฟังเสียงลักครั้งละฟังเก้งเฉยเก้งเฉยนะและ้วเราจะคอยระวังจิตรักษาจิตไว้เราจะดูรูปแล้วเห็นสาวสวยเดินมานั่งนงำจากกวาลมาจะไปดูเขา ไปดูจิตไว้ด้วยแล้วดูนางงามด้วยเสียเวลาดูดูแล้วเฉยๆมันทื่อๆไปใจทื่อๆเนี่ยตัวรู้ปลอมตัวรู้ธรรมชาติใช้สบายโปร่งๆยิ้มหวานหนึ่งทีก่อนยิ้มหวานแล้เห็นร่างกายยิ้มเห็นัหมตัวอะไรยิ้มอยู่ดูตัวเองนะอย่าดูคนอื่นพยักหน้าสักทีสิเห็นไ้ยตัวอะไรพยักหน้าใช้ใจธรรมดานะ ให้ใจธรรมดาตัวรู้เนี่ยมันธรรมดามากมันธรรมดานจนนึนกไม่ถึงเลยนะเป็นสภาวะจิตที่อัศจรรย์ที่สุดนะแต่ธรรมดาที่สุดเลยไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้อะไรเลยธรรมดามากเลยนะเห็นร่างกายหายใจไหมใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆเดี๋ยวตัวรู้ก็ เ, เกิดถ้าไปจ้องลมนะหรือจ้องมือจ้องเท้าจ้องท้องค่อยได้สมถะรู้สึก มันจะไม่ได้รู้สึกตัวไปฝึกแล้นะไม่ยากหรอกไปกินข้าวไปชินข้าวแล้วภาวนาไปด้วยคนไหนฟุ้งซ่านก็ทําความสงบคนไหนสงบแล้วทําความตั้งมั่นคนไหนตั้งมั่นแล้วก็เห็นขันมันทํางานเห็นร่างกายเดินไปตักข้าวอะไรเห็นร่างกายเคี้ยวข้าวดูไปไม่มีตัวเรานะ จะเข้าห้องน้ำก็เห็นร่างกายมันเข้าห้องน้ำนะเห็นร่างกายมันขับถ่ายไม่ใช่เราหรอกดูไปเรื่อยดูสบายๆนิมัน์เลยครับ